เพียงอาหารหมาควรจะเปลี่ยนสถานที่นะควรจะเปลี่ยนทางไปทางนี้ตรงข้ามกับที่หมูปา่าที่มันมากัดหมาจะไปเอาไว้ที่เก่าเมื่อวันเราได้ยินเสียงหมามันเห่าหมูจะกัดหมูในะป่าเนี่ยเราก็ยังไม่สบายใจกลัวมันหมูมันจะกัดหมาอีกควรจะ มาเลี้ยงตรงข้ามให้มันมากินทางตรงข้ า, ขามจะหมูก็ให้มันอยู่ที่นั่นแหละถ้าหากว่าเราเอาไปเลี้ยงที่เก่าวันดีคืนดีมันก็ลืมละหมามกระโดดกัดหมูอีกหมูกะกัดหมาอีกนะี่ยหมาตายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนะี่ยแต่ตามมาจิมก็เคยหมาสามตัวเนะี่ย มาฝรั่งตัวใหญ่ๆทั้งนั้นพระท่ำก็เลี้ยงอาหารหมูป่ามันก็มายืนคอยดูอยงนั้นหมูก็หมูป่าไม่ใช่หมูเลี้ยงหมูป่าอยนั้นแต่มันตัวใหญ่สิเท่ากับสอบข้าวสารเยหมูตัวนี้หลวงพ่อว่าไม่ต่ำกว่าร้อยกิโลจะมังหมูป่าแะนะมีเขี้ยวออกงอกทั้งสองปากเห็นพก พาก็เลี้ยงอาหารตอนเย็นห้าหกโมงห้าโมงครึ่งเลี้ยงอาหารพอหมากาลังกินหมูมก็ได้กินอาหารได้กินอาหารหมาหมูมันจะหมกดีนะมันได้กลิ่นมันก็เดินฟูดฟาดฟูดฟาดออกมามันก็มายืนไม่ห่างสี่ห้าวันมันก็ไม่ทําอะไรหรอกหมูมันก็นิสัยดีอยู่มันเป็นหมูป่ามันก็กลัวคนเหมือนกัน ไอ้พวกนี้ก็กินข้าวไปกินข้าวไปก็คิดสนุกมั้งเมืวันนั้นน่ะวันที่มันจะตายนะคิดสนุกขึ้นมากอลยเห็นหมาเห็นหมูมายืนอยู่ข้างๆเลยกระโดดโขกหากเลยเห่านะพอเห่าต้องลุมทั้งสามตัวหมูมันก็ทําท่ากลัวมันก็หันหลังให้ทําหันหลังให้จะวิ่งนีไอ้พวกนี้ก็ได้ใจเลยไอ้สามตัวเนี่ยตามปกติทําหมาเนี่ย ถ้าคขนวิ่งมันยิ่งได้ใจรงั้นอันนี้ก็เหมือนกันนะหมูป่ามันก็วิ่งมันก็ไม่วิ่งเร็วหรอกตัวมันก็ใหญ่อ้วนมันก็วิ่งหลบหนีให้ฮิตเลอร์ก็โดดไปก็งับโคนขามันทัวขาหลังไอ้ไทเกอร์ก็โดดไปช่วยไอ้ฮิตเลอร์กรพอดีจังหวะไอ้หมูป่าตัวใหญ่มันก็หันหลังกลับมาพอดี แต่ไอ้ฮิตเลอร์มันตัวมันคล่องแค่วกว่าเอยมันหนุ่มกว่าคล่องแค่วกว่างมันกระโดฟ ด, ฟะ ด, ะโดฟูดเออดวิร์กมันกระโดดฟูดเวิร์กเอาข้างข้างมันไอ้ไทเกอร์นั่นกระโดดงับก้นมันพอดีกระพอดีจังหวะนั้นนะไอ้หมูป่ามันกระสบัดตึ๊บเข้ามาเลยใส่เข้าคอพอดีเลยเขี้ยวโอ้จำเขี้ยวน่ะ จากนั้นก็วิ่งมาสาราเนี่ยเลือดอาบเป็นทางมาเลยแล้วเล า, าข้านรถไปที่อำเภอบ้านผือห่างตั้งห้าสิบกว่ากิโลหมอเขาก็ไม่รับเพราะมันแผลใหญ่ไม่มีหมอสัตยแพทย์ไม่ไม่พร้อมอ่ะลวิ่งเข้าอุดรเองร้อยยี่สิบกว่ากิโลไปหาหมอเขาก็ทำแผลให้เลือดออกมาเป็นแท่งเป็นแท่งเป็นกระโถนว่างั้น หมอเขาก็บอกว่าถ้าหากว่าอยู่ในเมืองในกรุงก็คงเอาเอาเลือดหมาเข้างั้นอันนี้มันเข้าไม่ได้แล้วไม่มีเลือดาจากนั้นเขาก็ให้ให้น้าเกลือพอมาถึงกลางทางไไทเกอร์ก็เลยมรณะนะตายเอางั้นพปกนี้เช้ามาแบนี่แหละจะทำยังไงได้ พวกกูบาทั้งหลายก็เอาไปปวงทมสังเวชซะถึงยังไงก็เป็นสมาชิกในวัดของเราตายไปแล้วหลวงพ่อก็บอกเออไอ้ไทเกอร์เ อ, อ้ยเธออย่าไปผูกอาคาตพยาบาทจองเวรกับหมูป่าเด้อถ้าผูกอาคาตกันก็ไม่มีที่สิ้นสุดคงจะเ ป, เป็นบาปกรรมของสุเจ้านั่นแ่ะให้อภัยกันนะต่างคนต่างไปได้เกิดมาชาตินี้แกเป็นหมาเขาเป็นหมู บัดนี้แกตายแล้วไป ส, สู่สุกติเซเดอร์ะนี่หละแต่ถึงยังไงก็ตามคนระับอย่าไปคุ้นไปเชื่องกับสัตว์ป่านะไม่ควรจะไว้ใจหมูปา่าบางทีมันไม่ทันใจมันอาจจะโดดมา ก, กัดเราก็ได้เพราะนั้นอย่าไปไว้ใจสัตว์ป่าถ้ามันเป็นอะไรขึ้นมาแล้วไม่มคุ้มค่ามันไม่คุ้มค่า ไม่รู้จะทํำยังไงกับมันอีกเพราะฉะนั้นเราเระวังไว้ดีกว่าอย่าไปคุ้นเชื่องกับมันเอไม่ใช่ว่าเป็นสัตว์ป่าเลอยอน่ารักมันนะเ ห, นเห็นเห็นแล้วเห็นมันแล้วจะเอามือไปลูบหัวมันอีกโปกไม่รู้จักทั้งหลายแหล่มันเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่มันกัดเมื่ก่อนยังค่อยรู้จักคเพือเพืมันไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยไม่ใช่ชนีกัดเนียหมูป่ากัดเนี่ยตายได้เหมือนกัน ตายได้อย่างเร็วๆอีกต่างหากอย่างไอ้ไทเกอร์นั่ น, น่ะเพราะนั้นอยากเข้าไปคุ้นเชื่องให้ระมัดระวังเนียที่พูดทั้งนี้ทางนั้นก็นเป็นแนวความคิดนะเตือนให้ระวังอย่าไปคุ้นเชื่องกับสัตว์วันที่ส9เก้าหลวงพ่อไปพักที่วัดหลวงปู่จามผอตื่นเช้ามาก็ มาชันที่อำเภอสมเด็จางนั้นก็คิดถึงอำเภอพี่หม่พระลูกน้องของเราสามสี่องค์จะอยู่ยังไงกันนะที่พี่มามพอลงตาก็มาภาวนาอยู่ที่ทำขกสพุงแถวแถวภูกเก้าอำเภอนคมค ำ, คำสซ้อยบินทบาทบ้านอะไรคำนางโอคสุริโยก็ไปเจอท่านอยู่เมื่อไปวันแรกนั่นนะท่านลงมาหา ก็เลยเป็นห่วงพี่ไม้พระพี่ไม้สี่องค์อยู่กันยังไงก็เลยตีรถยาวเลยงั้นตั้งแต่บ่ายโมงนะไปถึงที่นู่นก็ประมาณสักเกือบทุ่มมัง้งมืดนะเข้าวัดไม่ได้เขาปิดประตูแล้วจากนั้นเขาก็บีบแก่พระออกมาเปิดก็อยู่ด้วยกันสี่องค์อย่างว่า น, นั่นนะรู้สึกเขเรียบร้อยดีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ นั้นอยู่ก็เลยไปแนะนําอบรมบอกกล่าวการอยู่ไม่ต้องคิดอะไรมากให้คิดภาวนาอย่างเดียวเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับเราถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบอกมาหาเราพวกท่านทั้งหลายอยู่ภาวนาไปสถานที่ก็เหมาะอยู่แล้วพอมองไม่เห็นกันแล้วเดี๋ยวนี้เป็นป่า หนาทึบหมดแล้วความสงบสงัดมันก็ไม่มีอะไรถ้าไม่มีเครื่องขยายเสียงออกมาจากข้างนอกกันนานๆไม่ใช่ว่ามีทุกวันแต่วันนี้ละ่ะเป็นวันที่รลังวัดที่ดินอีกที่เราซื้อเท่าไหร่ไม่สิบโร่เดี๋ยวนี้ก็รวมเข้าไปก็เป็นร้อยกว่าไร่ละบาทเนีที่ดินวัดป่าพี่ายแล้วก็บอกว่าถ้าเสร็จแล้วถ้ามีญาติโยมมาก ล, ล้อมล้วซะจากนั้นก็ ตอนเย็นก็ได้อบรมพระพูดกับพระเป็นอยู่ยังไงสุขสบายยังไงมีปัญหาอะไรทุกองค์ก็รู้สึกว่ายิ้มแย้มแจ่มใสดีอยู่ไม่มีอะไรอยู่ด้วยกันปรึกษาปารบกันไห้มีอะไรเกิดขึ้นเราเป็นนักพรตนักบวชแล้วเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมีแต่ให้ภาวนาเท่านั้นอ่ะไม่มีอะไรให้ตั้งใจภาวนา พอตอนเช้ามาอีกบิธบาต์ชั้นวันหนึ่งญาดวโงก็ยังมาไม่ครบพอวันที่สองเมื่อวานนี้บินธบาตกลับมากับญาติโยงก็มามากเมื่อวานค่หลวงพ่อก็เลยให้โอวัตรพร้อมกับพระเกี่ยวกับการบินธบาตหลวงพ่อไม่หนักใจที่อำเภอพิมายเพราะอาหารการบริโภคเหลือเฟือฟุม่มเฟือยบินธบาตได้เอา รถปิกอัพตามหลังปินธบาศมาสองสปีแล้วก็ยังอาหารยังปกติอย่างเก่าเลี้ยงขู่เลี้ยงคนได้เพราะนั้นพวกพระที่อยู่นี่ก็การอยู่การฉันถึงจะหมากฟูมเฟยขนาดไหนก็จะไปโลภโลเลในอาหารให้ฉันพอประมาณให้รู้จักประมาณตนโภชเนมัตตัญญาตารู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาตลอดถึงหลวงพ่อเนี่ยนะสมัยเป็นพระน้อยพระหนุ่มการบริโภคการฉันเอาหงอาหารต้องระมัดระวังนะไม่ใช่ว่ากินอะไรตามใจชอบกินอะไรก็ลากท้องออกกินไม่คิดกินไม่อ่านกินเข้าไปแล้วก็นั้นแหละหนังท้องตึงหนังตาย่อนผลที่สุดเกิดอะไรเกิดขึ้น มีแต่เรื่องการมักกิเลสลาคาดมันจะเยียบย่ำทาง จ, จิตใจภาวนาไม่เป็นไม่ไปทำไมไม่ดูไม่รู้ว่าการอยู่การกินของตอนเองนะ่ะมากน้อยอย่างไรแค่ไหนถ้าว่าใครเห็นครูบายการหลวงปู่หลวงตาเห็นไม่ลูกหลวงปู่ฟันสมัยท่านอยู่ถ้ำขามเหมือนกับบำเพ็ญทุกขะกิริยาเลยละ่ะ หลวงพ่อเนี่ก็เอเห็นรูปสมัยมาอยู่ใหม่มาอยู่ที่นี่เห็นเห็นตาหัวกะโหลกอยู่ที่วัดปา่าบันตาดก็เหมือนกันการอยู่การฉันต้องระเวียงระวังหลวงตามาหาบัวก็เหมือนกันทัดนว่าอยู่กับหมดหลวงปู่มันพวกอาหารเสริมทั้งหลายพวกนมพวกไข่พวกอะไรนะท่านจะไม่ฉันเด็ดขาดฉันจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าฉันเข้าไปแล้วมันเป็นยังไงนักปฏิบัติมันต้องสังเกตถึงขนาดนั้น จึงจะเอาตัวรอดได้ถ้ากินอะไรทานอะไรตามอัธาใจตามอำเภอใจกินจนหลากท้องออกกวนหมีผีมันผลที่สุดอะไรเกิดขึ้นเอาชนะใจตัวเองไม่ได้เพราะร่างกายมันบีบคั้นผลที่สุดขณนะจิตใจลาถอยออกจากธรรมมปฏิบัติผลที่สุดก็สู้กิเลสไม่ได้ทางนอกก็ซักหลากดึงไป ผลที่สุดออกไปแล้วครับไม่มีอะไรจะดีขึ้นเออคิดว่ามันจะเป็นสวรรค์วิมานที่ไหนก็เป็นไฟนรกเผาจิตใจอีกอย่างเกา่าผลที่สุดก็นั่นแหละกว่าอายู่อายอ่านอวยเข้ามาได้พอแรงแล้วพอเหตุไรเพราะกิเลสมันพาไปเพราะสิ่งเหล่านี้มันต้องได้ดูนะต้องได้ดูนะได้สู้นะการสู้สนามของสนามสู้รบของพระเนี่ยที่ไหน ไม่ใช่สู้ที่การที่งานไม่ใช่สู้ที่การก่อสร้างไม่ใช่สู้ที่โตวาทะคู่คนมันสู้ที่ใจคือความรู้สึกนึกคิดนี่แหละสนามสู้ของพระสนามสู้ของนักปฏิบัติทั้งหลายเพราะนั้นถ้าว่าผู้ใดก็ตามไม่เคยปฏิบัติไม่เคยภาวนาเนี่ยไม่รู้หรอกพระกรรมาฐานเนี่ยเขามีจุดมุ่งหมายอะไรมีความมุ่งมั่นอะไรมีจุดประสงค์อะไรในการ กรรมเพนของเขาแต่ถ้าว่าผู้ปฏิบัติเท่านั้นน่ะผู้ภาวนาเท่านั้นจึงจะรู้ได้ว่าพระกรรมฐานนี่สนามพรกอันใหญ่หลวงของเขานะ่ที่ต่อสู้กันเอาเป็นเอาตายจริงๆคือตรงไหนที่พ่อแม่ครูใบอาจารย์แบกกฎแบกบาทขึ้นภูผาป่าไม้สละเป็นสละตายอยู่ทาอยู่เหวไปสู่สร้างสู่เสือที่จะสู้กับสัตว์ทั้งหลาย เอาเป็นเอาตายเข้าว่าน่คืออะไรนี่แหละคือสู้กับใจของตัวเองนี่แหละใจตัวเองมันออกฟุง้งออกไปข้างนอกปรุงออกไปข้างนอกจากนั้นก็เอาสมาธิเข้าไปบังคับให้มันอยู่กับที่ เ, เมื่อมันอยู่กับที่แล้วให้พิจนารณาอะไรพิเห็นอะไรพิจนารณาอะไรนี่แหละที่จุดสู้ของพระกระรมฐานถ้าเราอยากจะรู้จักว่าการสู้ กับอารมณ์ทางจิตใจนั้น เ, เราจะสู้ด้วยวิธียังไงเข้าไปอยู่ในห้องแอร์เย็นๆเอาผ้าหนาๆปูจากนั้นเอาผ้าห่มอุ่นๆมานั่งนั่งดูสินั่งไม่ห้ใจปุงมฟุ้งอกไปข้างนอกได้กี่นาทีาได้กี่นาทีไม่ต้องพูดถึงชั่วโมงแล้วงั้นนั่นแหละมันสู้ยากถึงขนาดนั้นสู้กับใจตัวเอง ถ้าใครสู้กับใจตัวเองนั่งได้นิ่งจิตอยู่กับที่นั่นน่ะนั้นไปว่าคนนั้นเก่งมากไปว่ารู้จักแถวแนวเอาชนะใจตัวเองเข้าสู่ความสงบได้ไม่มีอะไรที่จะดียิ่งกว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีจะหาความสงบสุขนั้นหาตรงนั้น เพราะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาตลอดถึงพวกเราท่านทั้งหลายให้รู้จักสนามรบของเราเนี่ยคือตรงไหนคือตรงจิตให้สงบใช้กรรมฐานพยายามพังบังคับจิตให้สงบนี่แหล ะ, ะเพราะนั้นการดูที่ใดเวลาใดขณะใ ด, ดต้องระเวียงระวังตลอดถึงการอยู่การฉันตลอดถึง การปฏิบัติภาวนาสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายอย่างนั้นหลวงพ่อก็พูดเกี่ยวกับการเป็นอยู่การดูแลวัดวาศาสานาการที่จะสร้างวัดวาศาสานาอำเภอพิมายก็มีผู้ไปขอร้องญาติโยมไปขอร้องหลวงพ่อก็เลยเห็นว่าเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจมีศรัทธาหลวงพ่อก็เลมาลิเริ่มมาสร้างวัด ก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนี่แหละแต่หลวงพ่อได้อะไรหลวงพ่อสร้างแล้วหลวงพ่อได้อะไรหลวงพ่อก็ถามหลวงพ่อเหมือนกันนะหลวงพ่อต้องการลามยศสรรเสริญต้องต้องการเป็นเจ้าฟ้าเจ้าขุนใช่ไหมถามหัวใจของหลวงพ่อหลวงพ่อก็ไม่ได้คิดอะไรในเมื่อสร้างก็คือมาทาให้ก็คือทาเมื่อเสียสละให้ก็คือเสียสละ ให้มันเกิดประโยชน์ต่อชุมชนสังคมประเทศชาติอย่างหลวงพ่อสองคออนุเคราะห์โรงพยาบาลงลงงรําโรงเรียนสร้างเจดีของคุณแม่โรงเรียนมัด น, น้องเอียนโดงอีกเครื่องไม้เครื่องมืออีกเซนทันมอนิเตอร์เตียงอีกเตียงไฮโดรลิก29เตียงโรงพยาบาลท่าบ่อยอีกเครื่องกระดูก บ้านพักตำรวจสายตรวจอีกหอประชุมอำเภอบ้านพือ้อีกนี่แหละวะที่หลวงพ่อสงเคราะห์โลกช่วยช่วยเหลือโลกอันนี้ไม่ใช่หลวงพ่ออวดนะหลวงพ่อพูดให้ตามพูดตามความเป็นจริงการสงเคราะห์นั้นทำยังไงหลวงพ่อได้อะไรหลวงพ่อไม่ได้คิดว่าจะได้อะไรกับสิ่งเหล่านี้นะ ในเมื่อเราเกิดมาในประเทศชาติชุมชนสังคมประเทศชาติบ้านเมืองเราจะช่วยเหลื อ, อยังไงเราเป็นสะพานบุญพอที่จะเป็นสะพานบุญมาได้ก็เอาสะพานบุญผ่านเรามาเอาเราก็จัดการให้แต่สิ่งยังไงเราก็ไม่เคยหนักใจกับสิ่งเหล่านี้ทํามันได้มาโดยเป็นธรรมเราก็ให้โดยเป็นธรรมถ้ามันไม่ได้มาเราก็ไม่ให้เราไม่เคยหนักใจกับรดวัตถุภายนอกเพราะเรารู้อยู่แล้ว ไม่ใช่ว่าเราจะไปแผ่ไปขอคนอื่นมาทำบุญจนทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นคนที่จะมาทำบุญกับหลวงพ่อก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะทำตัวเองไม่มีอยู่มีกินก็จะเอามาให้เดือดร้อนตนเองจากนั้นกับตีโพยตีไฟว่า ห, หลวงพ่ออินขอมาพอเดือดร้อนพอหลวงพ่ออิน ถ้าไม่ให้หลวงพ่ออินก็คงจะไม่จำแย่ถึงขนาดนี้ถ้าเราได้จตุปัจจัยกับคนประเภทอย่างนั้นคนที่โง่อย่างนั้นให้แบบโง่ๆอย่างนั้นเราพูรับก็โง่อีกเอาไปสร้างโรงเรียนโรงเรียนนักเรียนทั้งหลายที่มาเรียนหนังสือกับโรงเรียนที่เราให้เขาก็จะโง่อีกมันโง่เป็นทอดๆเพราะเหตุไรเพราะมันโง่มาแต่ทีแรกเพราะนั้นต้องคิดให้ดี ก่อนที่จะทําอะไรสงเคราะห์ อ, อะไรหลวงพ่อเองไม่ได้หนักใจกับสิ่งอะไรทั้งหมดทั้งด้านวัตถุทําด้วยความสบายใจทําด้วยความเต็มใจทําด้วยความสะดวกคิดอ่านซะก่อนยังค่อยทําสงเคราะห์อนุเคราะห์ไม่ใช่ใจใหญ่เพราะหลวงพ่อไม่ต้องไม่ได้วยมุ่งหวังอะไรจากโลกวัตะสงสารมีแต่พยายามยังไงจริงจะทำใจให้หลุดพ้นจากกิเลสแต่พร้อมกันกับจะจะทยังไงจะช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์โลกไปพร้อมกัน สิงไหนที่มาพอที่จะช่วยเหลือประเทศชาติชุมชนได้ก็ช่วยไปหลงร่มโรงเรียนอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นไม่รู้ว่ากี่โรงเรียนแล้วช่วยสงเคราะห์อย่างที่พูดให้มาให้ฟังเนีนย่ยเราก็ไม่ใช่เวอร์อวดอ้างวางเขาขี่อวดแต่พูดให้ฟังถ้าไม่พูดกไ็ไม่รู้ว่าพระสงฆ์อ ง, งค์เจ้าครูบาอาจารย์แนวแถวของครูบาอาจารย์เนี่ยท่านสงเคราะห์อนุเคราะห์ออยังไง ให้ยังไงเผื่อแพ้ยังไงฮแต่หนักใจไหมหลวงพ่อไม่เคยหนักใจก่อนที่จะพูดหลุดคําไหนออกไปต้องพร้อมซะก่อนจึงจะพูดออกไปได้เป็นไปได้ซะก่อนจึงพูดออกไปแล้วพูดออกไปโดยที่ไม่หนักใจอีกเพราะศรัทธา ญ, ญาติโยมท่านผู้ให้ก็เอาให้มาคนละน็ตคนละน้อยคนนั้นบางคนนี้บางช่วยไหมดีไหมเห็นด้วยไหมจึงก่อนยัค่อยยังคอ่ยงคอยทํา แต่ถ้าว่าเขาไม่เห็นด้วยเขาไม่ให้มาเราจะไปให้ได้ยังไงเราจะให้คนอื่นเดือดร้อนก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันอย่างที่ว่านั่นคนที่ให้ก็เดือดร้อนตัวเองมารับมากรับมาแบบไม่สบายใจให้ไปไปให้คนป่วยห้อง i อจูเขาก็จะตายอีกต่างหากเพราะมันโง่เป็นทอดๆไปเพราะนั้นการสงเคราะห์อนุเคราะห์อีกส่วนหนึ่งแต่ถึงยังไงก็เราเกิดมาใน พื้นมนุษย์โลกไม่ใช่ช่วยเหลือแต่เมืองไทยนะที่ว่าเนี่ยมันช่วยโลกฝรั่งมั่งค่ายวนจีนเใครก็เถอะมาเก็บไข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลเขารักษาในเมื่อรักษาแล้วก็ไม่ใช่จะพเพาะแต่เมืองไทยอย่างเดียวใครมากันรักษาทั้งนั้นแหละเพราะหมอเป็นหมอสากลหมอโลกทั่วโลก เ, เข้ามาที่ใครเก็บไข่ได้ป่วย เครื่องมือของเราคนช่วยโลกเหมือนกันนั่นะณะบุญกุศลที่พวกเราได้ช่วยส่งเสริมวัดวาศาสนาโลกวัะสงสารขอให้มีความพร่มเย็นเป็นสุขท่วนหน้ากันเนี่ยแต่สรุปแล้วก็คืออย่าขาดเรื่องของตนเอกอาหารสุขิโตโหโมิขอข้าพเจ้าจงเป็นสุข จากนันก็สัพเพสัตาสุกิตาหนตุขอสรร พ, พสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขคะอันดับแรกก็คือเมตตาตนซะก่อนถ้าตนจงเป็นสุขก็ขอให้ผู้อื่นจงเป็นสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาเพราะพระพุทธเจ้าท่านแผ่เมตตาตนซะก่อนบำเพ็ญทั้ง6ปีอยู่ในป่าชำระใจของพระองค์ให้บริสุทธิ์พุทโธซะก่อนจากนั้นท่านจึงเอานําความบริสุทธิ์ท่านมาประกาศ เป็นสัจธรรมสอนปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเป็นเบื้องต้นจากนั้นก็สอนมาเรื่อยๆจนสึงถี่สี่สิบห้าปีจนถึงสุภัต t ะองสุดท้ายที่ท่านสอนได้สำเร็จเป็นพระอระหันต์จากนั้นก็ดับขันปรินิพานนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านพาดำเนินมาอย่างนั้นพวกเราพุทธบริษัททั้งหลายถึงจะ ไม่ได้อย่างพระพุทธเจ้าก็ได้กฐินหนึ่งได้เม็ดหินเม็ดทรายหนึ่งก็ยังดีเดี๋ยวดีกว่าไม่ได้สนใจอะไรเฉยเมยไม่มีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ชาติได้อะไรมาก็กินใส่ปากใส่ท้องไม่ได้คิดอะไรอันนั้นก็ไม่ดีเหมือนกันนะต้องมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังแบง่งรุ่นแบง่แบ ง, แบงนี่บังโลกจึงจะล่มเย็นเป็นสุขได้แต่มีอะไรก็กวาดมาใส่อกตัวเองไม่ยอมให้แก่ใคร ตายแล้วไม่เห็นเอาลอยไปด้วยตายก็ตายไปแต่เปล่าๆตายแล้วก็ยังด่าอีกคงอยู่เบื้องหลังพอาทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะอะตอนนี้ไปรับพร อ, อนุโมทนาให้ปอนยะถาวาริวหาปูราปิปูเร